50 languages. การตการตั้งคาถาม2ดิฉันมีงานอดิเรกดิฉันเล่นเทนนิส นานุเทนิสอาดุเ๊เตนเนสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะอิลลีเทนนิสมัยดานาะเอลลี่เดคุณมีงานอดิเรกไหมนีนากูวนดูฮัวิาซาอีเดดิฉันเล่นฟุตบอลนานุกอล์ชินดันโนอาดุเ๊เตเน สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะอิลลี่าลชันดีนาอาตัดะไมดานายิลลีเดดิฉันเจ็บแขนนันน่ะคโนยุติเดดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยนันน่ะคาลูมัตตูไครูดาโนยุติเวมีคุณหมออยู่ไหมคะ อิลลี่วัยดยรูเยลลิดไดิฉันมีรถนั่นน่ะบัลลีวุ่นดูคาร์ดีดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วยนั่นนะ่ะฮัตติ ร, วตราวุ่นลสาอ ด, ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะอิลลี่ว่าหลาิลดานาเิด ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์นันนบลีวุนดูสเวตเตอร์อิดเดดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยนันนบลีวุนดูนัดวังกีมาตูจีนสหอีเวเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะบัตเตวเกยวยันตรเยะลิดเอดิฉันมีจาน นันนับบลลีวุนดูตัะเตี๋เดดิฉันมีมีดซ้อมและช้อนนันนับบลลีวุนดูชาครวุนดูฟร์ k มัตตุวุนดูชามะช้าอีเวกระเทียมและพริกไทยอยู่ไหนคะวุปปุมัตตุคาริเมสเวสหนียลอีเว